ดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตจากวัดบวรนิเวศวิหารนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาห่างหายกันไปหนึ่งสัปดาห์ค่ะต้องให้พระอาจารย์บอกท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยคือ <c oughs> ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคนมาเป็นเพื่อนที่จะมาอัดรายการได้หาคนผู้ชายนะที่จะสามารถมาอัด รายการมาเป็นเพื่อนก็เลยทำให้ต้องงดรายการไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นี้ก็ได้กลับม า, ารายการตามปกติท่านฟังก็จะได้รับฟังธรรมะสบายๆกันได้ตามปกติแล้วในช่องทาง easy ธรรมะนะคะ e ตัวใหญ่ e, T y, e A s y dha mma เป็นตัวติดกันทั้งหมด จะเข้าไปฟังได้เมื่อเมื่อวันก่อนนี้ก็มีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันเจ้าค่ะว่าเอ๊ะจะเข้าไปฟังเสียงรายการเนี่ยต้องเข้าไปที่ไหนอ๋อต้องจะจะต้องจะจะฟังรายการธรรมะสบายๆแล้วก็จะมีเสียงอ่านด้วยตอนนี้ก็กําลังค่อยๆทยอยทยอยบันทึกเรื่องสวรรค์ในคําสอนของพระพุทธศาสนาก็เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ตอนแรกเลยเป็นเรื่องนรกฟังแล้วก็น่ากลัวดีส่วนตัวโยมอะรู้สึกว่าการฟังเรื่องนรกก็ดีเหมือนกันจะทําให้คนที่อ่าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่รู้เรื่องนรกเนี่ยทำให้รู้สึกกลัวบาปแล้วก็ไม่อยากทําบาปเพราะว่าไม่อยากจะตกไปตรงนั้นดูแล้วมันทุกทรมานมากๆแต่ตอนนี้มีเรื่องดีๆแล้วมีเรื่องสวรรค์ด้วยมีหลายๆเรื่องที่ตัวโยมเองก็ชอบฟังเหมือนกันเรื่องสวรรค์ เรื่องสวรรค์นี่ก็ดเูเป็นเนื้อเรื่องดีเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยอย่างชัน้นดาวดึงเนี่ยก็จะมีตัวละครที่ท่านรวบรวมหลักๆนี่ก็จะคือพระอินท์หรือที่เร า, าในนักเรียนบาลีเนี่ยเราจะคุ้นกันในชื่อว่าเท้าสกัดแต่ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็คุ้นชื่อกันในชื่อของอพระอินทพระอินหรือว่าเท้าสกะเทวราชใช่ก็จะมีทั้งประวัติของเท้าสกะเทวราชเนี่ย ว่าทำบุญอะไรเป็นคนยังไงแล้วประพฤติปฏิบัติอะไรบ้างเนี่ยจึงได้มาเสวยที่พยาสมบัติเป็นราชาของในหมู่เทวดาชั้นดาวดึง <c oughs> ก็เป็นเรื่องเป็นราวดีเหมือนกันฟังแล้วก็เพลินเพลินไปเราก็ได้แง่ได้เงื่อนจากการที่สมเด็จท่านเนี่ยได้วิเคราะห์ทั้งในมุมมองของคนที่มาอ่านภายหลัง ในคนในมุมมองของการที่การทำบุญวิเคราะห์ว่ า, ากกเท่าสกัดเทวราเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วในในตำราเนี่ยมันก็จะมีการแต่งเติมภายหลังด้วยมีบทวิเคราะห์ในชั้นอัตกาถาและชั้นดีกาก็เลยทำให้ว่ามันมีเนื้อหาที่บางครั้งบางบางคนอ่านแล้วอาจจะรู้สึกเอ๊ะทไมมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันน่าจะ ดูสมมุติกว่านี้หรือบางอันมันอาจจะดูเอ๊ะมันอาจจะติดติดนิดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะวิเคราะห์ให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรด้วยเราก็จะได้ความรู้นอกจากว่าประวัติของพระอินทประวัติของเท้าสักกะเนี่ยที่ว่าได้ประพฤติอะไรบ้างแล้วก็นอกจากจะรู้ว่ า, าเท้าสักกะคือเทวดาชั้นหน้าดึงแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าประวัติของอสูรด้วยที่เราเรียกกันอสูรอสูรเนี่ยคืออะไร ถ้าท่านฟังคนไหนเนี่ยอยากรู้ว่าเอออสูรเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าอาสูรอาสูรเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเทวดาจำพวกหนึ่งเหมือนกันเหมือนฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมแต่จริงๆแล้วก็คือเทวดาเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องลองไปดูว่าทําไมมันถึงมีเทวดาแล้วก็มีอาสูร แล้วทำไมเทวดากับอสูรต้องรบกันอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรต้องลองไปฟังดูนะคะในเรื่องของสวรรค์ซึ่งตอนนี้อัดไปได้หลายหลายตอนแล้วนะค่ะตอนนี้ก็อัดไปได้สี่ตอนแล้ว<ม>คิดว่าเนี่ยดูจากปริมาณที่เหลือเนี่ยก็น่าจะมีคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณสักสิตอนทั้งหมดทั้งหมดสิบตอนนะประมาณก็เราคอยฟังกันต่อไปสําหรับเรื่องนรกก็ทําให้อาคนกลัวบาปแล้วก็ กลัวการตกนั้ลกก็ไม่อยากจะทำบาปแต่เรื่องสวรรค์ก็เป็นตัวอย่างของการทำความดีทำไมพระอิน์ถึงได้ไปเป็นพระอินอยู่อย่างนั้นท่านทำความดีอะไรก็มีก็มีบอกไว้ในเรื่องราวด้วยนะค ะ, ะมีคำถามยมมีคาถามนะเจ้าคะ่ะเพราะว่ากอ็อยากจะให้พระอาจารย์บอกกับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถ ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันอย่างไรเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดถามว่าใครจะเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าไม่มีเวลาเพราะว่าจะต้องใช้ชีวิตในการทำงานในการทำเรื่องราวอะไรหลายอย่างซึ่งการปฏิบัติธรรมก็คือต้องใช้เวลาในการแยกออกมานั่งในห้องพระมานั่งคัสมาธิ อะไรอย่างนี้มันก็ดูว่ามันต้องใช้เวลามากเลยนะเจ้าคะ่ะแต่จริงๆแล้วพระอาจารย์เคยบอกว่าการปฏิบัติธรรมสามารถทําได้ง่ายๆในขณะที่เราทํากิจวัตรประจําวันในในทุกๆวั น, นเจ้าคะ่ะคือจุดประสงค์เนี่ยของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะมีศักยภาพเพื่อที่จะลดลดทอนความทุกข์ที่มันมีอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทีนี้มันก็มีคําถามอยู่อันหนึ่งว่า เวลาเราเริ่มปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอเมื่อไหรเนี่ยความทุกข์ที่เรามีเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วาบางครั้งก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมชีวิตประจําวันของเราก็ดีเนี่ยรู้สึกเหมือนทุกเนี่ยมันจะมีมากขึ้นบางครั้งก็รู้สึกมากขึ้นบางครั้งก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่น้อยลงสักทีหนึ่ง มันยังไม่ลดทอนน้อยลงไปอะไรเงี้ยประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าสําสหรับคนที่ปฏิบัติทําใหม่ๆเนี่ยเราก็จะปฏิบัติธรรมเฉพาะตอนที่เรามีเวลาว่างหมายความว่ า, าสมมติว่าครูบอาจารย์บอกเอาช่วงเช้ากับเอาเวลาช่วงก่อนนอนอ่าเราก็ยังเป็นคนที่ ท, ท, ที่เชื่อฟังครูบาอาจารย์นะแล้วก็ตอนเช้าเราก็นั่ง ก่อ น, นอนแล้วก็นั่งซึ่งดีไหมดีนะเพราะว่าเราก็ได้ปฏิบัติธรรมแต่จริงๆแล้วในการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราทําเฉพาะเป็นบางช่วงเนี่ยแน่นอนสัสดส่วนเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราลองดูว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราตัดเวลา น, นอนออกไปก่อนสมมุติเรานอน8ชั่วโมงก็เฉลือจะเหลือเท่าไหร่ละ่ะ24ลบ8ก็เหลือ16ชั่วโมง ใน16ชั่วโมงเนี่ยเรามีเวลาให้ใจเราอยู่กับธรรมะให้ใจเรามีสติอยู่กับใจของเราเนี่ยกี่กี่น้อยกี่มากน้อยเท่าไหร่สมมติว่าเรายังประพฤติปฏิบัติแบบเดิมๆเนี่ย16ชั่วโมงอัติไปเลยเราตอนเช้า5นาทีตอนก่อนนอน5นาทีก็คือมีมีเวลาอยู่กับธรรมะ5นาทีนะ10 10นาทีต่อวันอ่า10นาทีต่อวนันแล้วที่เหลืออีก อ่สิบห้าชั่วโมงห้าสิบนาทีเราก็ยังมีชีวิตแบบเดิมอยู่นะเพราะฉะนั้นแน่นอนความทุกข์มันก็ลดลงไปแค่สิบนาทีเท่านั้นเลยละนะน้อยน้อยมากแต่คําถามก็คือว่าแล้วเราต้องชนั่งสมาธิตลอดสิบหกชั่วโมงหรอมันก็ไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่าเราจะมานั่งสมาธิตลอดสิบกชั่วโมงเพื่อให้เราเนี่ยมีความทุกข์ไม่เจอความทุกข์ตลอดสิบกชั่วโมงอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันกลมกลืนไปในชีวิตของเราหมายความว่าเราก็ต้องพยายามเพิ่มสัด ส, ส่วนใน16ชั่วโมงตรงนั้นเนี่ยให้มันมีเวลาของธรรมะเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอการที่เรามานั่งในห้องพระแล้วก็ไม่เจอใครแล้วมีเวลาของเราส่วนตัวเราจึงจะมีเวลามาปฏิบัติธรรมคือฝึกใจเราเนี่ยอันนั้นมันก็ จะน้อยไปนะคือแทบจะไม่พอแหละเพราะว่าในวันวันหนึ่งเนะี่ยเราจะมีเวลาที่เราจะอยู่คนเดียวแล้วเราก็จะมาฝึกใจของเราเนี่ยมันก็ไม่มากหรอกก็อย่างที่ว่าเนะ่เช้าสิบนาทีหรือห้านาทีก่อนนอนสนาทีหรือห้านาทีเท่านั้นแหละแต่ทีนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างที่ว่าเรามีเวลาส่วนตัวแล้วเราก็มานั่งสมาธิเป็นกิจจักษณะเนี้ยเป็นกัน เ, เรียกว่าได้ได้พักผ่อนได้กลับมาสู่โหมดของสนามซ้อมอีกครั้งหนึ่งแต่การที่เราไปทำงานก็ดีหรือเจอพบปะคนโน้นคนนี้ที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันแบบปกติปกติเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าสนามสนามจริงนะสนามจริงเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยเราจะไปอยู่กับสนามซ้อมแล้วเราจะเป็นสิงสนามซอมม้อมมีความทุก์ ลดน้อยลงเฉพาะสนามซ้อมเนี่ยไม่ถูกต้องเราจะต้องมีความทุกข์น้อยลงให้ได้ในสนามจริงนะเพราะ น, นั้นต้องบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยแบ่งแยกเอาไว้คือพระธรรมกับวินยัยพระธรรมกับวินัยนะวินัยคือข้อข้อระเบียบปฏิบัติที่ในเพศนั้นๆเนี่ยจะมีอย่างเช่น ฆราวาสเนี่ยก็มีศีลห้าเป็นตัวกำกับเอาไว้อ่าถ้าเป็ น, ส, น, น, นสัมมณีก็ศีลสิถ้าเป็นพระก็ศีล227อันนี้ก็คือข้อประพฤติปฏิบัติให้มันเหมาะสมกับเพศของตนของตนใครเป็นสมณะก็2องใครเป็นฆราวาสก็ศีลหอ่าถ้าเป็นเนรก็ศีลสิ 10, ต้นนะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าข้อของธรรมะที่ ไม่ว่าจะเราจะถือศีล227แบบสมณะหรือแบบคารวาคือศีห้าเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติธรรมตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คื อ, อมักสีผลสีนิพพานหนึ่งคือโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอานาคามีมักอานาคามีผลหรืออรหัตมักอรหัตผลแล้วก็นิพพานเนี่ยมันได้เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นคารวะาก็ดีเป็นสนัมภนณก็ดีคือพูดง่ายๆพุทธบริษัทสี่เนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทั้งนั้นเพราะนั้นคารวะาก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คื อ, อมีข้อวินัยที่เราจะต้องทำให้ได้สมบูรณ์พร้อมอย่างคารวะากศินห้าเพราะนั้นเราไม่ต้องถือศีลถึงสองยิบเแบบพระหรอกเราก็ทำตามแบบ ที่พระเจ้าว่าไคือให้เรามีสินห้าที่บริบูรณ์นะนั่นแหละแล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมคือฝึกใจเรานี่แหละฝึกใจเราแล้วสิ่งที่พระเจ้าว่าก็คือให้เราเนี่ยมีสติอยู่กับตัวเราก็เอาสติเนี่ยมาไว้ที่ลมหายใจของเราพูดง่ายคือให้เราเห็นใจเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยเอาใจเราเนี่ยเก็บย้อนเข้ามาอยู่ภายในแล้วจึงจะได้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุ ของการที่ใจเราไม่สงบอะไรเป็นเหตุของการที่ใจเราสงบอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุของความที่ทุกข์มันดับไปเราจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าเราเนี่ยเวลามีความทุกข์เราก็จะมีวิธีแก้ทุกข์ในแบบของตนของตนตามความเห็นของตนของตนไปนะอย่างเช่นคนโกรธเนี่ย เ, เราก็มีหลายๆวิธีให้เลือกที่เราจะ บรรเทาความโกรธของเราตามความเห็นของเราด้วยนะบางคนก็คิดว่าอปืนมายิงเนี่ยแล้วเราก็จะหายโกรธแล้วถ้าเขาตายไปนะความโกรธเราจรึงได้โดนบรรเทาลงไปโดนเยียวยาลงไปเราก็จะมีความสุขจากการที่เขาได้ตายไปเขาได้ตายจากเราไปเป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่คนที่เขามีมุมมองแบบนั้นเนี่ย เขาก็จะทําแบบนั้นแต่บางคนก็มีไม่ทํารุนแรงขนาดนั้นอาจจะแค่ว่าเราไปแกล้งเขาให้เขารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออเรามีความสุขความโกรธเราก็ลดน้อยลงแล้วเราก็ดีมากเลยสดชื่นและมันเจ็บช้าน้ําใจโอเคละฉันหายโกรธละอันนี้ก็เป็นความ ความเห็นก่อนนะมันมาจากความเห็นก่อนความเห็นที่เราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็จึงทําตามวิธีที่เราเห็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นในอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยท่านจึงเอาสมานะัมมาทิฏฐิเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเลยนะตัวข้อแรกเลยเพราะว่าเมื่อเห็นถูกแล้วเนี่ยมันจึงคิดถูกทําถูกพูดถูกไปในแบบที่มันถูกได้นะแต่ถ้าเราเห็นผิดซะก่อนนะมันก็คิดผิดทําผิดพูดผิดไปเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ทุกข์เนี่ย เราต้องมีความเห็นที่มันถูกต้องจริงๆก่อนนะคุณเจ้าเนี่ยก็จึงเน้นว่าเราต้องมีกระบวนการที่เราเห็นถูกต้องก่อนแล้วแบบไหนเนี่ยเป็นวิธีการแก้ทุกข์ที่มันถูกต้องอไปแก้ข้างนอกเนี่ยจริงจรมันก็พอแก้ได้จริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าเราแก้ทุกเนี่ยต้องแก้ทั้งสองส่วนนะเขาเรียกว่าส่วนภายนอกส่วนหนึ่งส่วนภายในส่วนหนึ่ง เพราะว่าการที่เรามีทุกเนี่ยทุกมันมาจากปัญหาที่เราจะต้องไปคลุกคลีกับคนอื่นเนี่ยก็ด้วยการงานที่มันมเีเรื่องที่จะต้องกระทบกระทั่งกันอย่างเงี้ยถ้าเราลดทอนปัญหาที่มันมากระทบกระทั่งกันได้ใจเราก็สบายขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทําแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทํานี้คือว่าแก้ใจเราด้วย หมายความว่าเราจะลดทอนปัญหาการกระทบกระทั่งกันได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องมาแก้ที่ใจเราด้วยถ้าใจเรายังโกรธใจเรายังขัดเคืองใจเรายังมีฟืนมีไฟอยู่เนี่ยแน่นอนการจะลดอัตราการกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นวู้่งง่ายมันจะต้องแก้2 ส, ส่วนเนี่ยไปพร้ อ, รอมๆกันแก้ปัญหาภายนอกไปด้วยเพื่อลดปัญหาภายในพอลดปัญหาภายในปัญหาภายนอกมันก็ลดไปด้วยเพราะว่าเรา กระทำในสิ่งที่มันไม่เป็นไปเพื่อต่อเติมความโกรธต่อเติมความเชื้อของความทุกข์ให้มันลุกโชนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเห็นที่มันถูกต้องอจึงสําคัญว่าเราจะแก้อะไรตรงไหนให้มันเหมาะสมเพื่อที่จะลดทอนความทุกข์ได้จริงๆเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะเห็นโกรธหรือเห็นความขัดเคือง ง่ายคือเห็นทุกเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยได้ตรงจุดมากกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วความทุกเนี่ยที่มันเกิดเนี่ ย, ยสมมติว่าเขามาด่าเราเนี่ยนะความทุกหรือความกโกรธของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่หูนะหรือมันไม่ได้อยู่ที่ปากของเขานะแต่ถ้าคนธรรมดาคนปกติเนี่ยความทุกความไม่พอใจก็คืออยู่ที่ที่คนนี้เขามาด่าเรา อยู่ที่ปากคนนี้เขามาด่าเราเป็นต้นแต่พอคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขามีสติเขาฝึกใจอยู่เรื่อยๆ เ, เขาเอาใจมาคอยดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยพูดง่ายๆคือเขาก็จะเห็นใจเขาได้บ่อยๆพอเขาเห็นใจอยู่ได้บ่อยๆเนี่ยเขาจะเห็นว่าปากมันก็บังบงับบังงับบังงับไปนะบังับบังงับไปเสียมันก็กระแทกหูเรามังมัม่งมั่มั่งมั่มักเอ๊ะทำไมใจเรา ม, ามันเร่าร้อนกับไออาการอย่างนี้นะซึ่ง เวลาปากเขาขยับขยับไปเสียงมันกระทบกระทบไปอยู่ดีๆทําไมใจเราก็มันเฉยๆได้บางครั้งมันก็รุ่มร้อนบางครั้งมันก็เฉยๆบางครั้งมันก็อาจจะรู้สึกแบบช้ำชื่นบ้างทั้งๆที่เสียงเนี่ยนะมันก็คือการที่มันเป็นอากาศเนี่ยมันได้รับการสั่นแล้วมันก็ใครเขาเรียกว่ามันก็มากระแทกหูเรานะกระแทกหูเรามันมีแค่นี้แหละถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจดี ก็คืออาการที่อากาศมันสั่นแล้วเรากา็สั่นมาเข้าหูเรานะแต่สิ่งที่มันเหมือนกันระหว่างคําชมกับคําด่าคืออากาศที่มันเข้าหูเราเนี่แหละมันไม่ได้มีความหมายในตัวของของขอ ง, ของตรงนั้นนะแต่สิ่งที่ที่มันทําให้ต่างกันก็คือว่าใจเราเนี่แหละสําคัญของไอ้อากาศที่มันมากระแทกหูเราเนี่ยนะต่างกันถ้าแบบนี้เราชอบเราก็ดีใจถ้าแบบนี้เราไม่ชอบ เราไม่ถูกใจเราก็ขัดเคืองมีความโกรธเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนทีป่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะเท่าทันใจแล้วนะเฮ้ยทาไมใจเรามันปรุงแต่งว่าเราไม่ชอบเอ้ยทำไมเราใจเราปรุงแต่งให้มันชอบมันก็จะกลายมีชอบกับไม่ชอบพอมีชอบมีไม่ชอบมันก็จะคือถูกใจกับไม่ถูกใจพอมีชอบมีถูกใจมันก็กลายเป็นความสุขความทุกข์ที่มันอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นถ้า เราไม่ได้เป็นสําคัญมั่นหมายพูดง่ายคือไม่ได้ปรุงแต่งให้มันชอบไม่ชอบได้นะมันก็จะลดทอนตอนนี้ไปได้มากใจเราก็จะไม่กระเพื่อมเลยพูดง่ายๆแต่เป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะไม่ปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเราไม่ยึดในความปรุงแต่งอันนั้นนะ่ะมันจะเป็นตัวแก้ปัญหาได้แต่การที่เราจะไม่ยึดไม่ถือในการที่มันปรุงแต่งตรงนั้นนะ่ะ การที่เราจะเห็นใจตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะถ้าเราไม่เห็นใจเราก็จะไม่รู้ว่าใจเราไปคิดไหมใจเรามันมีความโกรธอยู่ไหมใจเรามีฟืนมีไฟอยู่ไหมเนี่ยพอถ้าใจเรามีฟืนมีไฟอยู่มันไฟมันเผาใจเราอยู่นะมันก็ทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติไม่ดีแล้วก็ยิ่งทาให้เรามีความเห็นผิดไปด้วยเห็นว่าเออฉันต้องไปด่ามันให้มัน จบช้ำน้ำใจฉันจะได้สบายใจของฉันเป็นต้นแต่ถ้าเราควบคุมนิจใจของเราได้ปล่อยวางมันได้เพราะฉะนั้นเราก็ใจเราสบายแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเราอยากจะไปทำร้ายเขาอยากจะไปด่าเขาแน่นอนเราก็จะตัวนี้เนี่ยมันจะลดถอนลงไปโดยอันตโนมัติเพราะว่าใจเราสบายแต่การที่ใจเราไม่สบายเนี่ยมันจึงมีมีวิธีการระบายความไม่สบายใจออกได้ตามวิธีของธรรมะ หรือกิเลสก็แล้วแต่อันไหนมันมีอํานาจกว่ากันถ้ากิเลสมันมากมันก็ชวนทําให้เราเป็นแบบกิเลสนะคือไปด่าเขาไปทําร้ายเขาเป็นต้นแต่ถ้าเกิดมีธรรมะแล้วก็อ้อเออนะหัดเอาไว้เก็บใจเอาไว้ปล่อยวางอพี่ณาไปให้มันเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไปพผวางได้ใจสบายอ๋อนี่แหละการที่เราเออ แก้ความไม่สบายใจแก้ทุกข์แก้โกรธของเราได้เนี่ยไม่เหมือนง่ายกว่าการที่เราจะสรรหาคํายร้ายแรงแรงไปด่าเขาอีกเพราะว่าการที่เราสรรหาคำร้ายร้ายไม่ดีไปด่าเขาเนี่ยใจเราก็รุ่มร้อนก่อนนะแล้วค่อยไปรุ่มร้อนใส่เขาอีกทีหนึ่งแต่การที่ว่าเราปล่อยวางได้พูดง่ายคือไม่ใส่ใจได้แล้วก็ปล่อยความไม่พอใจตรงนั้นได้เนี่ยมันทา มัน เ, เรียกว่ามันเป็นวิธีที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดีแล้วเราก็ไม่รุ่มร้อนต่อแล้วใจเราก็สบายได้ด้วยแล้วมันเ็าเรียกว่าสงบระ ง, งับเย็นสบายแต่การที่มันจะทำอย่างนั้นได้นะมันต้องเห็นใจอะง่ายๆนะมันยากนะคะพ่าจ๋มันต้องไปได้แล้วเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือต้องสร้างนิสัยนะสร้างนิสัยให้ ใ, ใจเรา เพราะว่าใจเราเนี่ยมันมีกิเลสเป็นเป็นเป็นนายครองใจอยู่ไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำเนี่ยถ้าเราปล่อยไปทำธรรมดานะตามแบบที่เราเป็นเนี่ยแน่นอนกิเลสมันจูงใจเราไปและสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องสร้างนิสัยให้ใจเราใหม่สร้างนิสัยให้ใจเราเนี่ยมีทรเที่คอยให้คิดให้พูดให้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นแบบธรรมะสร้างความคุ้นชินให้ใจของเราเนี่ยมีทำนาไม่ใช่เอากิเลสน แต่ต้องฝืนหน่อยต้องต้องฝืนนะ่ะธรรมะมันจะเจริญได้เพราะฝืนนะฝืนใจฝืนใจจากกิเลสให้มันมาอยู่ในธรรมที่นี้พอทำธรรมะมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ต้องฝืนมากนะเขาเรียกว่ามันเป็นอัตโนมัติเราก็จะไปในแบบที่พระอริยชา้ทั้งหลายท่านก็ไม่ต้องฝืนแล้วละ่ะเพราะว่าท่านก็ มีทำเต็มหัวใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทําอะไรเนี่ยมันก็เป็นได้อย่างสบายสบา ย, บายไม่ต้องฝืน ง, งั้นย้อนมาสักนิดนึงนะเจ้าคะ่ะการการที่เราจะ <c oughs> การที่เราจะปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจําวันเนี่ยวิธีง่ายๆนอกจากการฝึกใจเนี่ยแล้ว เ, เราต้องทําอะไรบ้าง <c oughs> คือ <c oughs> ในในช่วงเวลาของอ่าการทํากิจวัตรประจําวั น, เ, นเราก็ต้องดูลม คือต้องพกขวดน้ำเอาไว้นะพกขวดน้ําไว้เวลาเราไม่พอใจละอมน้ําไว้ก่อนนะก็คืออมน้ําไว้นะเราจะได้ไม่ต้องพูดพูดพูดไม่ดีกับใครอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นวิธีทางทางออกที่ดีมากค่ะสําหรับพอวิธีง่ายๆพอพอไม่นั่นก็กลืนพออมไว้ไม่ไหวก็เกลืนนะเกลือแล้วก็อมน้ําใหม่ พยายามหาน้ำมาหลายหลยขวดนะเอาสักขวดลิตรเลยไม่ต้องเอาขวดแบบสักสามรอยห้าสิบเลยอนะไมันเล็กไปเอาขวดสักขวดลิตรเลยลิตรครึ่งอะไรอย่าเงี้ยพกติดตัวไปเคือคื อ, คอบางครั้งบางทีเนี่ยเราเรารู้อยู่นะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแต่อํานาจที่มันควบคุมจิตใจเราอยู่เนี่ยมันมันมันมันคอย บีบคันบีบเข็นหัวใจเราอยู่ซึ่งกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่คอยจังหวะที่มันจะ10นาที5นาทีหรอกมันคอยจังหวะแค่เสี้ยววินาทีนะเหมือนกับว่าเรามีคอกอยู่เนี่ยคอกที่มันมีสัตว์อยู่ข้างในนะมันก็เต็มอยู่เต็มเลยเนี่ยสัตว์เนี่ยมันก็คอยแค่จังหวะที่ว่าไอประตูคอกเนี่ยมันเปิดแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไอตัวแรกที่มันหลุดไปได้เนี่ยมันก็เป็นอิสระกิเลสมันก็เช่นเดียวกันนะ มันก็คอยจังหวะอยู่ว่าขอให้มันมีช่องสักนิดหนึ่งอะ่ะมันจะออกไปจะออกมากจะออกน้อยขอให้มันได้ออกไปสักหน่อยหนึ่งก่อนพอมันออกไปสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะออกไปได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะทีนี้การที่เราโดนบีบคั้นอยู่มากๆเนี่ยถ้าจิตใจเราสติเราไม่มั่นคงสติเราตามไม่เท่าทันเนี่ยเราใจเราก็จะแผ้นะแผ้ปุ๊บมันก็จะควบคุมไอ้ตัว ไอตัวฝ่ายดีมันมีมารสองตัวนะไอตัวขาวกับตัวดำพอไอตัวตัวขาวมันเริ่มอ่อนแอเท่าไหร่นิดหนึ่งนะไอ้ตัวดำมันก็ฟาดฝันแล้วจึดจๆๆๆมาควบคุมควบคุมแทนน่ะนะแล้วก็จะพูดไปทําไปในแบบที่ไม่ค่อยดีแต่พอไอตัวขาวมันเริ่มอุ้ยไม่ได้แล้วมันมันมันมากเกินไปแล้วไอตัวขาวก็กลับมามีพลังอํานาจอาใหม่ก็เตะไอตัวดําออกไปจากหัวใจแล้วก็ ขออามาแก้ไขสถานการณ์กันใหม่มันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ น, นะคือมันขอแค่เสี้ยววินาทีที่ไอ้ตัวดำมันจะไปเตะไอ้ตัวขาวออกจากาอีแล้วมันมาควบคุมเราได้แค่นั้นแหละเพราะนั้นไอ้เสี้ยววินาทีนะสําคัญนะถ้าเราจิตใจเราไม่เข้มแข็งเนี่ยอยู่ได้เรื่อยๆตั้งมั่นอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยไอ้เสี้ยววินาทีที่มันจะมาเตะไอ้ตัวขาวเราเนี่ยออกไปจากใจแล้วมันไอ้ตัวดำมันจะมันนั่งบัลลังก์ควบคุมใจเราอยู่เนี่ยโอ้ น, นี่แหละ เสี่ยววินาทีนี้นสำคัญที่สุดเลยอย่าปล่อยให้มีเสี่ยววินาทีนั้นให้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะควบคุม <c oughs> ควบคุมจิตใจตรงนี้ได้ยังไงเจ้าคะก็ต้องฝืนนะนะควาว่าฝืนนี่มันสำคัญมากนะเรารู้ว่าเราโกรธแต่เราฝืนได้ที่เราจะไม่พูดไม่ดีไม่าทาไม่ดีถ้าเราฝืนได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยใจเรามีกำลัง กำลังที่เราจะไม่พูดไม่ดีไม่ประพฤติไม่ดีแต่แน่นอนความโกรธมันยังอยู่ในใจอยู่แต่อย่างน้อยเราชนะในเบื้องต้นคือเราไม่พูดไม่ดีเราไม่ทําไม่ดีแล้วไอชนะเบื้องต้นไอ้นี้นะมันจะเป็นก้าวต่อไปที่เราจะไปชนะข้างไหนด้วยคือใจเราก็จะมีอํานาจที่จะค่อยๆบริหารจัดการความโกรธในภายในเนี่ยให้มันละให้มันปล่อยให้มันไม่ยึดกับความโกรธตรงนั้นได้ แต่ถ้าเราภายนอกเนี่ยพูดไม่ดีทําไม่ดีไปแล้วเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมกําลังไอตัวตัวไม่ดีให้มันมีอํานาจครองหัวใจเราได้นานขึ้นแล้วเราก็จะแก้มันไม่ได้หรอกเพราะว่าข้างนอกมันก็เสริมข้างในข้างนอกมันก็เสริมข้างในทีนี้มันก็ข้างในมันก็ยังมีอํานาจอยู่ก็แย่เลยล่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้ เ, เรียกว่าตัดสเสบียงันก่อนตัดทางลำํำลิ้นเสบียงันก่อนก็คือ เราไม่พูดไม่ดีเราไม่ทําไม่ดีเพราะนั้นมันก็ไปพ้องกับหลักที่พุทธเจ้าว่าไว้นั่นแหละคือสัพพะปะภาษากระนังอนะคือความชั่วทั้งหลายเนี่ยเราไม่ทําเลยพูดก็ไม่ทําประพฤติก็ไม่ทําแล้วค่อยย้อนกลับมาที่แม้กระทั่งความคิดเนี่ยเราก็ไม่มีคิดแบบไม่ดีไม่ดีเราก็ไม่เอาแล้วก็ค่อยมาทําความดีให้มันถึงพร้อมนะก็คือหัดคิดหัดเปลี่ยนทิศสัยเราเนี่ยให้ เป็นคนคิดดีทดําดีพูดดีพอมันชินในการคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยแน่นอนว่ า, าศักยภาพที่มันจะเห็นของร้อแล้วมันจะปล่อยได้ทันทีเนี่ยมันก็มีได้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะต้องใส่ระยะเวลาไม่ใช่ว่าวานันสองวันแล้วทําได้นะแต่ถ้าเราไม่ทําให้เป็นนิสัยเนี่ยไม่มีทางทาได้เลยเพราะฉะนั้นสนามจริงเนี่ยมันต้อง ทำบ่อยๆซ้อมบ่อยๆฝึกบ่อยๆแล้วเอามาใช้บ่อยๆมาใช้ยังไงทํางานเนี่ยถ้าเราไม่เห็นใจเนี่ยเราก็จะไม่รู้หรอกว่าพูดง่ายเราไม่ได้เอาสิ่งที่เราไปฝึกนั่งสมาธิตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าตอนเป็นเวลาของเราเนี่ยเราไม่ไดเอามาใช้เลยเพราะนั้นมันก็จะไม่ถูกต้องครับถึงตอนเวลาใช้ถึงตอนที่ต้องใช้ต้องอามาใช้ด้วยไม่งั้นเราก็จะ มันการลงทุนเนี่ยนะเรามีเงินเก็บแล้วกเก็บอย่างเดียวแล้วไม่ได้เอาเงินนั้นมาทําให้มันงอกเงินมันก็ไม่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงินไปลงทุนะธรรมะก็เหมือนกันถ้ามันไม่เอามาใช้ศักยภาพกันไปเพิ่มขึ้นต้องมาใช้ในสนามจริงนี่แหละที่ว่าโกรอดแล้วก็มีสติรู้เท่าทานมันแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็คือเราปล่อยไปตามอํานาจธรรมดาที่มันเป็นแบบธรรมดาที่เราเคยเป็น โรดยังไงแล้วก็ปาไปอย่างนั้นควรเข้ามากระทบกระทั่งยังไงเราก็ยังปฏิบัติแบบเดิมเพราะฉะนั้นธรรมะเราก็ยังไม่เจริญงอกงามได้อย่างดีนะตะนเถอะแต่ <c oughs> บางครั้งเนี่ยถึงถึงเราจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแต่มันก็ไม่ถูกใจที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะจะเจริญได้ต้องฝืนนะต้องฝืนต้องฝืนพอฝืนไปแล้วเนี่ยพอมันไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย ถูกต้องแล้วก็ปล่อยได้ถูกใจแล้วก็ปล่อยได้พอปล่อยเสร็จเนี่ยแล้วเราก็ทำในสิ่งที่มันควรจะต้องทำคือสิ่งที่ถูกต้องนะเราก็จะเป็นผู้ที่พระเจ้าก็จะบอกว่าเป็นสับประหลนะก็คือเป็นผู้ที่รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักสถานที่รู้จักประชุมชนเหล่านี้เราก็จะใคร่ครวนว่าแล้วอะไรคือ ที่มันเหมาะกับตรงนั้นที่เราพอทําได้ทําให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ทําให้มันเสียประโยชน์ไปอเ น, นี้ยเราก็จะค่อยๆแจีมชัดแล้วก็เป็นผู้ที่ฉลาดในในสิ่งที่เราจะประพฤติปฏิบัติมากขึ้นเพราะว่าเราเห็นใจนะเห็นใจเร า, างั้นก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าการที่เรานั่งสมาธิในช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางคืนก่อนนอน าบางคนอาจจะนั่งได้เยอะหน่อยก็คือสักครึ่งชั่วโมงช่วงเช้าหรือว่าครึ่งชั่วโมงก่อนนอนก็คือวันละหนึ่งชั่วโมงเองแต่สัดส่วนในของเวลาที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็เยอะมากจริงการทําสมาธิแค่นี้นี่มันมันน้อยมากาต้องบอกว่าสิ่งที่เรามีเวลาตอนเชา้าตอนเย็นเนี่ยเขาเรียกว่าเรากลับมาสู่โหมดของสนามซ้อมโหมดของสนามซ้อมนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนวิธี เ, เรียกว่าชาัดแบตนะชัดแบต ก่อนที่เราจะไปทํางานเราก็เตรียมสเบียไงไว้ก่อนแล้วเราในระหว่างวันเนี่ยสเบียงแล้วก็ใช้ภไยใช้ไปใช้ไป พ, พอกลับมาปุ๊บเราก็มาเตรียมสเบียงของเราเอาไว้สําหรับวันพรุ่งนี้ต่ออันเนี้ยการที่เราก่อนนอนก็ดีหรือว่าตอนเช้าเนี่ยอันนี้เป็นการเตรียมเสเบียงของเราที่จะเอาไปใช้ระหว่างวันหมายความว่าการที่เรานั่งสมาธิตอนเช้าแล้วจิตเรามีกําลังปล่อยวางได้ดีจิตใจใช่ำ ช, ชื่นเบิก บ, บานเนี่ย การที่เราจะไปกระทบอารมณ์อะไรในระหว่างวันเนี่ยอารมณ์ตรงเนี้ยมันก็ยังจะพอช่วยเราเอาไว้ได้เราอารมณ์ดีไปทํางานแล้วก็เบิกบานเราก็จะไม่รู้สึกอยากจะไปทะเลาะเบาแว้งกับใครมีอะไรเราก็ช่วยช่วยเหลือกันไปเพราะว่าเรามีจิตใจที่มันเบิกบานนะถ้าใจเราหงุดหงิดซะงแต่ตอนเช้านะอะไรอะไรเราก็ไม่อยากทําใครมาขอช่วยเหลืออะไรบางทีเราก็หงุดหงิดเราก็ไม่อยากช่วยเป็นต้นเพราะฉะนั้น ระหว่างก่อนที่เราจะไปทํางานเนี่ยการที่เราได้ทําสมาธิให้จิตใจเราช่ำชื่นเนี่ยนี่มันเป็นการชาร์จแบตแต่ในระหว่างวันเนี่ยถ้าจำเหมือนมือถือนะแบตเราเต็มตั้งแต่เช้าเนี่ยแล้วเราก็โทรศัพท์ทั้งวันเลยใช้โทรศัพท์ทั้งวันเลยแบตเตอรี่มันก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะสิ่งที่เราทํากันยังไงอะสมัยเนี้ก็จะมีแบตเตอรี่สํารองนะหรือไม่ใครขึ้นรถก็จะมีที่ชาร์จในรถหรือใครอยู่ในบริษัทเขาก็จะ เสียบแบตเตอรีร่เอาไว้กับปลั๊กไฟก็คือพูดง่ายๆคือคอยชาร์จมันอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ใช้โทรศัพท์ได้อย่างเรื่อยๆทั้งมันและโทรศัพท์เราเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่ที่มันไม่ไม่เจอขีดแดงะนะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเราก็ต้องคอยชาร์จแบตเตอรีร่ของเราเนี่ยอยู่เรื่อยๆชาร์จแบตเตอรี่ในระหว่างที่เราโทรเนี่ยแล้วก็โทรไปได้เรื่อยๆแล้วก็ชาร์จไปเพนั้นเราก็จะไม่เจออาการที่ว่า แบตหมดคุยต่อไม่ได้ไงนะเพราะฉะนั้นนี่แหละในระหว่างวันการชาร์จแบตของเราก็คือการที่เราดูลมหายใจเราอยู่เรื่อยๆนี่แหละการที่เราเห็นลมมีสติอยู่กับลมหายใจมีสติในการงานของเราเนี่ยไม่ปล่อยสติหรือปล่อยใจของเราเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยก็เป็นการที่เปรียบเหมือนเราเสียบสายชาร์จกับโทรศัพท์ของเราเอาไว้เพราะฉะนั้นง่าย แบตเตอรี่ที่เรามีตั้งแต่ชา้าที่เราชาร์จเอาไว้เต็มแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ร่อยหรอจนรวดเร็วจนเกินไปเราก็จะพอสู้ไหวความสบายใจของเราก็จะคงทนคงไปได้นานขึ้นเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ดูลมในการงานในระหว่างวันเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าการที่เราเอามาใช้ในสนามจริงได้คือเราคอยดูลมอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยก็จะทาให้ ใจเราก็สบายมากขึ้น น, นะสบายอยู่เรื่อยว่ากันเถอะมันก็เป็นการวิธีลดทอนความทุกข์อยู่แล้วนะเพราะว่าใจเราสบายาเบื้องต้นคือพอเราเหมือนเราออกกำลังกายเนะี่ยพอร่างกายเราแข็งแรงนะมันก็ป่วยยากเพราะฉะนั้นตอนที่ใจเราสบายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ประคองรักษามันให้ดีดีกว่าตอนที่ไปเจอเหมือนตอนคนป่วยอะ่ะพอคนป่วยแล้วมัน จะต้องรักษาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจ ะ, จะพุ่งหวายมากถ้าเปรียบเทียบกับการที่ตอนที่เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพเราเนี่ยให้แข็งแรงอยู่เนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่สบายกว่ากว่าตอนที่เราป่วยแล้วเราก็ต้องไปหาหมอไปหาหมอทีนี้ก็จะยุ่งยากแล้อย่างคนที่เหมือนเป็นอย่างนี้ก็จะเจอเยอะพวกที่ยกของหนักหรือว่าทํางานแล้วจะ เกี่ยวกับกระดูกสันหลังเนี่ยหมอนรองมันไปทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยพอต้องไปผ่ามาแล้วทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วชีวิตก็ยุ่งยากขึ้นแต่การที่เราคอยดูแลรักษาอย่างดีพอยป้องกันอย่างดีตรงไหนท่าเราก็ทําให้ถูกตรงไหนที่มันหนักมากเราก็ไปหาคนมาช่วยเพราะนั้นเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการที่เราจะต้องมาป่วยด้วยอาการที่ว่าเจ็บหลังปวดเอวมันดีกว่ากันมากนะแต่ถ้าถ้าป่วยไปแล้ว หมายขางว่าเจอกิเลสมันโจมตีไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆประคับประคองกันไปก็เหมือนเราไปหาหมอนะค่อยๆรักษากันไปรักษากันไปแล้วก็จนถึงตอนที่สามารถที่จะบรรเทามันได้ความร้อนร้อนบรรเทาลงมาได้แล้วเราก็ปล่อยวางมันได้แต่เราก็พอปล่อยได้ปุ๊บเราก็ต้องรักษาให้อย่างดีอย่าให้มันกลับมันกำเริบได้อีกมันก็จะสลับกันไปอย่างนี้แพ้บ้างรักษาได้บ้าง ก็เหมือนรบกันนะมันตีเมืองเราได้บ้างแล้วก็ขับไล่มันไปแล้วเราก็มาซ่อมอกําแพงประตูหอรบของเราใหม่ป้องกันกันใหม่แล้วก็สู้กันใหม่อยู่อย่างงี้นะจนเรามีศักยภาพที่เขาไม่สามารถจะมาบุก ค, ค่ายเราได้นะแล้วจะสบายขึ้นนะงั้นการการนั่งสมาธิเป็นการชารัดแบตนี่ก็สําคัญมากมาเลยสำคัญมากสําคัญมากอย่างครูอาจารย์เนี่ยชันถึง ตื่นแต่เช้าแล้วก็ให้เราเนี่ยนั่งสมาธิกันตอนเช้าก็เพื่อ น, นี่แหละให้เรามาชาร์ตแบตนี่แหละเพราะการที่เรานั่งไปแล้วเรามีความชำนาญเนี่ยเราก็จะได้ชาร์ตแบตได้อย่างดีนะแล้วก็ไอ้กำลังของจิตที่เราได้มีความช่าชื่นมีความที่มันปล่อยวางแล้วจิตมันมีกาลังได้เนี่ยโอ้ยมันเอาไปใช้ในระหว่างวันเนี่ยมันก็จะ สบายมาก จ, จิตใจแล้วก็จะทำงานได้อย่างสบายอารมณ์ดีอยู่อย่างงี้นะยมเชื่อว่าในสนามจริงของทุกๆคนเนี่ยก็คงจะต้องเจอผู้คนผู้ร่วมงานเพื่อนก็ตามในที่ทำงานหรือว่าคนที่เราจะต้องติดต่อ ง, งานด้วยเนี่ยก็คงจะต้องเจอเรื่องกระทบกระทั่งมากมายมการนั่งสมาธิ ช่วงเช้าหรือว่าก่อนนอนการชาร์จแบตเนี่ยก็สําคัญมากๆเหมือนกันคือบางวันเนี่ยได้ได้มีโอกาสนั่งแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราเราสบายใจแล้วณนะวันนั้นเนี่ยที่เราไปเจอเรื่องที่มากระทบกระทั่งเนี่ยมันมันก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละแต่ว่าพอเราสบายใจแล้วมันก็อยู่ได้หมายถึงว่าเราก็ไม่เราก็ไม่ต้องไปกระทบกับเขาได้โดยที่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน<ช>จะบปวดอะไร แล้วเราก็ทํางานมันก็มีประสิทธิภาพขึ้นนะหมายความว่าถ้าคิดดูว่าแต่ละคนเนี่ยฝึกอย่างนี้อยู่นะของตัวเองของตัวเองนะฝึกเกินไปฝึกคนนั้นก็ฝึกคนนั้นก็ฝึกคนนี้ก็ฝึ ก, นน ก, ฝ, ก, นนกฝึกไปฝึกไปมนก็แน่นอนบรรยากาศการทํางานก็จะดีขึ้นเราก็จะมีบรรยากาศในการทํางานที่ดีขึ้นเพราะแต่ละคนเนี่ยก็พยายามประคองรักษาใจของตัวเองเหีดอะไรที่ทําให้กระทบกระทั่งกันทุกคนก็จะระแวดระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าในองค์กรเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนมาพยายามฝึกหัดปฏิบัติเพื่อที่จะลดทอนความทุกข์ของตัวเองเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเราได้ลดทอนความทุกข์ให้คนเองไปด้วยนะแล้วแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยฝึกกันไปฝึกกันไปปฏิบัติกันไป ก, ก็ในองค์กรนั้นก็จะเป็นองค์กรที่ร่มเย็นร่มเย็นปัญหาก็น้อยทํางานก็มีความสุขแล้วก็ทําให้ ผลงานที่มันออกมาเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็จะเป็นองค์กรที่เจริญรุ่งเรืองอย่างดีถ้าได้ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปด้วยนะครับต้องเรียกว่าเป็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังชาร์ตแบดกันก่อน ออกจากบ้านสัก5นาที10นาทีถ้าใครทำได้ก็เป็นครึ่งชั่วโมงทำให้เรามีแบตเตอรี่เต็มที่จะไปต่อสู้กับต้องเรียกว่าในสนามจริงได้ไ ด, ดีขึ้นแล้วก็อาจจะค่อยๆเพิ่มระยะเวลาใ น, ในความอดทนหรือว่าในระยะของที่แบตยังมีอยู่ ม, มากขึ้นเรื่อยๆสำคัญก็สนามจริงนะต้องเราต้องเสียบแบตเตอรี่ของเราไว้อยู่เรื่อยๆไม่งั้น เราก็จะไม่มีแบตเตอรี่เลอเอาไว้ใช้ตลอดทั้งวันค่ะก็ในระหว่างวันเราสามารถทําสมาธิได้ง่ายๆก็คือการดูลมใช่ไหมจ๊ะคะใช่ประคองใจให้เราอยู่ในภายในมีสติในการงานเห็นใจเราอยู่เรื่อยๆมีสติคุ้มครองใจเราอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่ารักษาใจเราได้อย่างดีมีเรื่องกระทบกระทั่งอะไรเราก็รู้ได้อย่างรวดเร็วเท่าทันแล้วก็ปล่อยวางมันได้อย่าง ทันท่วงทีก่อนที่มันจะมาก่อไฟกองใหญ่ให้เราเป็นกองไฟเล็กๆมันกระดับง่ายไม่ต้องใช้น้ำมากเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่ อ, อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ธรรมะในชีวิตจำวันให้มีธรรมะอยู่ในการงานให้มีธรรมะอยู่ในชีวิตได้ควบคู่คันไปกับวิถีชีวิตของเราเราปฏิบัติงานไปเราทางานไปอันนั้นเป็นงานภายนอก ที่ทุกคนที่ต้องทําอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เพิ่มสัดส่วนไปคืองานภายในที่ทุกคนเนี่ยสามารถทําควบคู่กันไปได้นะคือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันแยกกันมีเวลาเช้ามีเวลาเย็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นการชาร์จแบตแต่ในระหว่างวันเนี่ยสําคัญมากก็คือในในระหว่างวันน่ยที่เราจะต้องเอาตัวเนี้ยมาควบคู่กันให้มันได้ให้มันกลมกลืนกันให้ได้แล้ว ทุกหรือเรื่องกระทบกระทั่งที่มันเข้ามาเนี่ยเราก็จะปล่อยวางมันได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีชีวิตเราจึงจะมีความทุกข์ที่มันลดน้อยลงในระหว่างวันเนี่ยได้จากวิธีการที่เราทำอย่างนี้นี่แหละ ถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังแล้วกันนะคะหลังจากที่รายการตอนนี้ได้ออ ก, อ, อ, กอากาศไปแล้วหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์พอรายการออกอากาศไปแล้วท่านผู้ฟังได้ยินเสียงนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้เรามาเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่เคยที่จะเริ่มนั่งสมาธิหรือว่าไม่เคยที่จะอยู่กับจิตใจ ในภายในของตัวเองอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อระวังรักษาจิตใจของเราเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นด้วย1สัปดาห์ต่อไปนี้ก็ลองอนั่งสมาธิตอนเช้า5นาทีก่อนนอนสัก5นาทีและในระหว่างวันเราก็ฝึกที่จะดูลมแล้วก็ดูจิตใ จ, ใจของเราดูซิว่าชีวิตในสนามจริงของเราเนี่ยจะดีขึ้นไหมแล้วก็ถ้าใครมีคาถามก็สามารถโพสต์คาถามมาได้ที่ e ีซธรรมะใช่ นะคะเพื่อที่ให้พระอาจารย์สุชาติได้ตอบคำถามในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้ก็คิดว่าคงจะสมควรแก่เวลาแล้วล่ ะ, ะ, ะก็จะคิดว่าคงจะลาท่านฟังไว้เท่านี้แหละค่ะวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันตรงนี้นะคะกับน้มัสการพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตแล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปตรงนี้สวัสดีค่ะเป็นพร